บทที่49ลานจอดรถมีรถยนต์และรถบัสจอดอยู่นับร้อยคันที่กำลังแล่นทยอยกันเข้ามาจอดก็หลายสิบคันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดกับท่านพระครูว่าในอนาคตต้องขยายลานจอดรถนะครับต้องขยายอีกสองถึงสามเท่าตัว ก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะ ก, กี้ว่าผู้วิเศษคนนี้เขาจะประกาศตนเป็นศาสดาองค์ใหม่หลังจากนั้นคนก็จะพาแห่กันมาจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่คนเอเชียเท่านั้นคนทางยุโรปอเมริกาก็จะพากันมาจนลานจอดรถไม่พอให้จอดจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดเพราะรู้อนาคต แสดงว่าต่อไปคนจะขาดที่พึ่งกันมากขึ้นผมอยากรู้ว่าเขามีดีอะไรผู้คนถึงได้ศรัทธานับถือมากมายอย่างนี้ท่านพระครูติงว่าแต่คนที่มาไม่ได้แปลว่าศรัทธาหมดทุกคนหร อ, อกนะครับที่มาเพราะต้องการจะมาดูก็มีไม่น้อยเหมือนอย่างผมกับหลวงพ่อพระมัคุเทศประกาศให้ผู้สแสวงบุญ ลงมาตั้งแถวเพื่อจะเดินไปยังที่คนนับหมืน่นกำลังนั่งรอพักวันออกมาให้เข้าเฝ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูเดินไปพรางสนทนาไปพรางโดยพูดให้ได้ยินกันแค่สององค์แล้วท่านพระครูคิดว่าคนที่มาในคณะของเราจะมีกี่คนที่ศรัทธาผู้วิเศษคนนี้ เท่าที่ผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งละ่ะก็คือโยมที่เป็นลูกชายของหลวงพอ่อฤสีเสดในอดีตชาติมีสามคนครับแต่ไม่เป็นไรกลับไปโรงแรมผมจะบรรยายสรุปสักส0นาทีหลังจากทาวัดเย็นแล้วผมจะแผ่เมตตาช่วยพวกเขาให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิผมคิดว่าพวกเขามีบุญพอ เพราะได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิกับคณะของเราท่านพระครูพูดอย่างมั่นใจดีนะครับที่พระมกุเทศท่านไม่เลื่อมใสในผู้วิเศษเกิดท่านเลื่อมใสคงสนุกกันใหญ่เรียกว่าพากันเข้ารกเข้าพงไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงต้องพลอยเสียชื่อไปด้วยทําไมหลักครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่เข้าใจ ก็ท่านชื่อเจริญทิตตะธรรมโมเหมือนผมคนที่ไม่รู้จักก็คิดว่าเป็นผมสมบานวัดป่ามะม่วงเฉลยพระมะคุเทศภาคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปประมาณ300เมตรจึงมันจบกับปลายแถวคนที่นั่งกันอยู่ส่วนหัวแถวนั้นห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากนั้น จึงปูอาสนะแล้วนั่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงกระซิบกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าหลวงพ่อครับเวลาผู้วิเศษเดินมาถึงตรงนี้ผมจะทําบริกรรมคาถาไม่ให้เขาเห็นผมเพราะถ้าเห็นแล้วผมไม่ไหวเขาก็จะโกรธผมคาถาอะไรช่วยบอกผมด้วยเพราะผมก็ไม่อยากให้เขาเห็นเช่นกัน คาถาพุทธคุณถอยหลังครับผมจะว่าให้ฟังแล้วท่านก็ว่าพุทธคุณถอยหลังให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองฟังโดยว่าเป็นเจ็ดวักวักละแปดคำดังนี้ติวะคภะโทพุทนังสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามาธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตคา สุโนปันสํนะระจะชาวิทโทพุทธสัมมาสัหังละอาวาคภะโสปิติอิผมคงจำไม่ได้เอาแบบย่อวันนี้ไม่ดีหรือหลวงพ่อวัดดอนเมืองต่อรองไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อก็เหมือนเราสวดอิติปิโสเพียงแต่เริ่มจากคำสุดท้ายไปหาคำแรกอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ ถ้าเราอ่านคำสุดท้ายก่อนก็จะกลายเป็นบทสวดพระพุทธคุณก้าวนั่นเองแต่ผมคงจำไม่ได้ภายในเวลาจำกัดเช่นนี้อขอคาถาสั้นๆไม่ได้หรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองยังอยากได้แบบสั้นแต่หลวงพ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะท่องคาถานี้ให้ได้ในภายหลังเพราะ มีประโยชน์มากมีข้อแม้ว่าเวลาขับรถหามท่องผมคงไม่ขับรถหรอกครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดยิ้มยิ้มถึงคนอื่นขับหลวงพ่อก็ต้องไม่ว่าคาถานี้เพราะถ้าว่าอาจถูกรถคันอื่นชนเพราะขะมองไม่เห็นครับผมสัญญาว่าจะกลับไปท่องให้ได้ และจะไม่ท่องขณะขับรถหลวงพ่อวัดดอนเมืองรับคำอย่างง่ายดายเพราะอยากได้คาถาแบบสั้นคาถาแบบสั้นคือหัวใจพุทธคุณ9ก้าหรือที่เรียกว่านวารหะคุณอันนี้จำง่ายเพราะเอาเฉพาะคำแรกของพุทธคุณ9ก้าแต่ละข้อคืออสังวิสุโลปุสะภุภะแต่ต้องว่าถอยหลัง ด้วยก็คือพระพุสะปุโลสุวิสังอะถ้าเช่นนั้นผมก็จะนั่งบริกรรมนวาระหะคุณท่านช่วยเขียนใส่กระดาษให้ผมได้ไหมครับเพราะตอนถอยหลังผมคงต้องฝึกท่านพระครูหยิบกระดาษและดิสซอออกจากย่ามแล้วก็เขียนส่งให้หลวงพ่อวัดดอนเมือง ขอบคุณครับจเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองกล่าวขอบคุณแล้วก็ท่องอย่างตั้งอกตั้งใจเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาตรงเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นมีเสียงประกาศกล้องเป็นภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษซึ่งพระมกุฎเทศฟังรู้เรื่องทั้งสองภาษาท่านบอกคณะผู้แสวงบุญว่าพระกวันกกำลังออกมาให้ผู้ศรัทธาเข้าเฝ้า ทุกคนยกเว้นพระภิกษุที่มากับคณะผู้สแสวงบุญจึงพากันชะเง้อชะงแง้ไปหาหัวแถวซึ่งยาวเป็นกิโลเมตรและเห็นพระกวันเดินมาแต่ไกลท่านพระครูอยากรู้ว่าพระกวันจะพูดจาปราศัยกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าอย่างไรจึงต้องดูด้วยตาในก็เห็นพระกวันหยุดทักทายกับผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งบางก็ถวายเงิน บ้างก็ถวายผลไม้พวกที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถวายของมีค่าต่างๆเช่นทองคำและเพชรนินจินดาส่วนคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะถวายก็จะซบหน้าลงที่พระบาทซึ่งพระขวันจะใช้พระหัตต์รูปศีรษะเขาเหมือนปลอบโยนก่อนจะเดินเลยไปประมาณหนึ่งชั่วโมง พักวันจึงเสด็จมาถึงตรงที่ท่านกับคณะผู้สแสวงบุญนั่งรออยู่ซึ่งเกือบจะเป็นปลายแถวท่านไม่จำเป็นต้องบริกรรมคาถาหายตัวเพราะผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดยื้อแย่งกันมานั่งบางท่านจนมิดยังดีที่มีแต่พวกผู้ชายเพราะขนะที่ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคนละฝั่งมิให้ปะปนกัน ไม่เช่นนั้นท่านคงจะต้องอาบัติเพราะถูกผู้หญิงเบียดข้อดีอีกประการหนึง่งที่ถูกเบียดก็คือทำให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งท่านรู้ว่ายังหายตัวไม่ได้ถูกปิดบังมิเช่นกันด้วยเหตุนี้ท่านจึงใช้ตานายดูพักวันเมื่อเสด็จจนถึงปลายแถวก็เสด็จกลับตอนเสด็จมาท่านผ่านแถวผู้ชาย ส่วนขากลับผ่านแถวผู้หญิงปรากฏว่าพวกผู้หญิงพากันถวายซองมากกว่าพวกผู้ชายจึงทำให้พักวันต้องเสียเวลารับซองและเสกของขวัญให้กับผู้หญิงที่ถวายซองทั้งหลายวิธีเสกของพัควันนั้นไม่ต้องหลับตาว่าขะถาเพียงแต่เอามือคว้าไปในอากาศก็ได้ของขวัญมาแล้วคนที่ถวายมาก ก็จะได้ของขวัญมีค่ามากคนที่ถวายน้อยก็ได้ของขวัญราคาน้อยลดหลั่นกันลงไปท่านพระครูยังเห็นอีกด้วยว่าบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มาถวายซองนั้นมีทั้งเศรษฐีตัวจริงและตัวปลอมเศรษฐีตัวปลอมทำหน้าที่เป็นหน้ามา้าและซองที่ถวายนั้น ก็ไม่ได้บรรจุธนบัตรแต่เป็นกระดาษที่ตัดเท่ากับขนาดธนบัตรจริงที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะรู้กันกับพระควันว่าจะต้องเล่นละครสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ขาดปัญญาทั้งหลายเหล่านั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหาท่านพระครูแล้วคุกเข่ากราบท่านสามครั้งพูดว่า หลวงพ่อมาด้วยหรือคะดีใจจริงๆที่มาเจอหลวงพ่อที่นี่โยมรู้จักอาตมาด้วยหรือท่านถามสตรีวัยห้าสิบเศษตอบว่าฉันได้เคยไปวัดหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งคะ่ะไปกับเพื่อนอย่างนั้นหรือแล้วเข้ากรรมาฐานด้วยหรือเปล่ากรรมาฐานอะไรคะถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เข้า ท่านจึงต้องเปลี่ยนเรื่องถามโยมมาอย่างไรได้ไปนมัส ก, การสังเวชนียสถานหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะฉันบินตรงจากกรุงเทพมาบอมเบย์เลยหลวงพ่อไปมาหรอคะท่านพระครูพยักหน้าแทนคำตอบหลงพ่อดูอะไรนี่หล่อนพูดพร้อมกับแบมือให้ดูในมือหล่อนมีแหวนเพชรวงหนึ่ง จะถวายอาตมาหรือท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มถวายไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งได้มาจากองค์พักวันพระองค์ทรงเสกให้เมตะกี้พระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแค่แหว่งพระหัตไปในอากาศก็ได้แหวนเพชรวงนี้มาพูดอย่างศรัทธาเหลือหลายท่านพระครูคิดในใจว่าถ้าทําอย่างนั้นได้จริง ก็คงไม่เสด็จออกมารับซองนั่งคว้าอากาศสบายกว่าท่านรู้ว่าสตรีผู้นี้กำลังมีศรัทธายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความจริงแก่หลอนจึงพูดว่าวันหลังไปคุยกับอาตมาที่วัดป่ามะม่วงนะเอาแหวนวงนี้ไปด้วยและท่านจึงเดินไปขึ้นรถพระมกุเทพนัดหมายให้ทุกรูป ไปรอพร้อมกันที่รถหลังจากเฝ้าพักวันแล้วเมื่อขึ้นมาบนรถก็พบหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับโยมเสงียงนั่งอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมท่านทักโยมเสงียงดีครับหลวงพ่อผมได้ไม่เห็นทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมประหลุดวัยเจ็ดสิบตอบอะไรคือจริงอะไรคือปลอมละ่ะ ท่านพระครูถามอีกแดนพุทธภูมิคือของจริงส่วนพะกวันคือของปลอมครับหลวงพ่อหลักครับได้ของเสกจากพักวันหรือเปล่าท่านถามยิ้มยิ้มท่านได้หรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามกลับผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้ถวายซองท่านพระครูตอบ คณะผู้สแสวงบุญเดินทยอยกันมาขึ้นรถที่มาล้าหลังก็คือสตรีสามคนที่ตั้งใจมาเพื่อเข้าเฝ้าพระควันโดยเฉพาะขึ้นมาในรถแล้วก็พร่ำรำพันถึงองค์พระควันกันอยู่สามคนโดยไม่สนใจผู้ใดเมื่อทุกรูปมากันครบแล้วคนขับก็ออกรถนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมือง บรรยายเรื่องพระเจ้าสุโธธนะต่อค่ะโยมผ่องใสกล่าวนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเพราะไม่อยากฟังเรื่องพระขวันที่สตรีสามคนกำลังครั่งไคล้ไหลหลงตกลงเอาละถึงตอนที่พระนางพิมพาเทวีให้ราชบุรุษลาหุนกุมารเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทอง พระบรมศาสดาพาราหุนกุมารไปพระวิหารแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรจัดการบรรพชาราหุนกุมารเป็นสามเณรแล้วทูลขอพระพุทธานุญาตว่าแต่นี้ต่อไปเมื่อกุลบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชหากมารดาปิดดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชขอให้ทรงงดไว้ก่อน อย่าเพิ่งให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรนั้นพระบรมศาสดาก็ประทานพรแก่พระพุทธบิดาแล้วถวายพระพรลาพาพระนันทะและราหุลสมมเนธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นเสด็จนิวัดกลับพระนครราชเครืเป็นอันว่าพระเจ้าสุดโททนะไม่มีทั้งลูกและหลาน สืบรชาชสมบัติแทนพระบวตกันหมดหน่าสงสารพระองค์นะจ๊ะแม่ชีป่วนพูดด้วยความรู้สึกแบบชาวโลกทั่วไปที่ต้องการมีลูกหลานไว้สืบเผ่าพันธุ์ท่านพระครูจึงอาธิบายว่าที่แม่ชีพูดมาก็ถูกแต่ถูกในแง่โลกิยะทว่าพระพุทธองค์ทรงมองในแง่โลกุตระหมายความว่าอย่างไรจ๊ะ หมายความว่าทรงมองคนละแง่คือพระเจ้าสุดโตธนะทรงมองแบบทางโลกแต่พระพุทธองค์ทรงมองแบบเหนือโลกพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือมองทางโลกกับมองทางธรรมการที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอนุชาและพระโอรสบวชพระทรงต้องการให้หลุดพ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์เอาละ่ะถ้ายังไม่เข้าใจ ค่อยไปถามต่อภายหลังรมวัดเย็นนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปว่าในพรรษาที่สองที่พระบรมศาสดาเส ด, สเด็จกรุงกบิลพัทเกิดผลสาเร็จทางธรรมคือพระพุทธบิดาสาเร็จพระอนาคามีพระนางมหาประชาบดีและพระนางพิมพาเทวี เสด็จเป็นพระโสดาบันคำว่าพระในที่นี้แปลว่าผู้ประเสรศิฐแปลมาจากคำว่าอริยะส่วนพระนันทะและพระราหุลได้เป็นภิกษุและสามเณรต่อมาเศรษฐีชื่อสุทัตตาก็ได้สร้างพระเชตวันถวายและนิมนต์พระองค์ไปประทับที่พระเทตะวันนครสาวัตถีซึ่งพระองค์ประทับจพาพรรษา อยู่ที่เมืองนี้รวม25พันษาดังที่พระมกุฏเทศและท่านพระครูได้บรรยายมาแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเหตุการณ์ก่อนที่จะบรรยายต่อในพันษาที่หแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณครูตการสาลาป่ามหาวันใกลพระนครเวสาลีทรงทราบว่าพระพุทธปิดา ทรงประชวนหนักด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของพระองค์จึงเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดานานครกบิลพัทสาวกเป็นอันมากตามเสด็จรวมทั้งพระ อ, อนนทเถระพระนันทเถระและสมเนรราหุนเมื่อเสด็จถึงทรงถวายการพยาบาลพระพุทธบิดาซึ่งกําลังได้รับการบีบคั้นด้วยอาพาธกล้า เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงมีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตต์ตั้งพระไทยอธิษฐานจิตบำบัดโรคาพาธแล้วทรงรูปลงที่พระเศียรพระเจ้าสุโธธนะอาพาธกล้าก็ทุลาลงด้วยพระบารมีพระนันทเถระยกพระหัตตลูปที่พระหัตต์เบื้องขวาของพระราชบิดา อาพาธกล้าข้างขวาก็ทุลาลงพระอนนทเถระยกพระหัตตลูบที่พระหัตตเบื้องซ้ายของพระปิตุราอาพาธกล้าก็กลายเป็นคลายลงพระเจ้าสุโทธทนะทรงพระสํารารพระกายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสทรงลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึ้ง ในพระมาหากรุณาธิคุณที่สเสด็จมาทรงอนุเคราะห์พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาให้บรรลุอรหันต์พระเจ้าสุทธโธทนะทรงพิจารณาเห็นธรรมอายุของพระองค์ถึงเวลาอาวสานการเพียงนั้นจึงทูลลาพระบรมศาสดาและลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นทั้งมวล แล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศตนิพานคือนิพานไม่มีอุปธิเหลือถ้าบรรลุนิพานแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าอุปาทิเศตนิพานข้อความควรสังเกตก็คือที่อาตมาบรรยายนี้นำมาจากหนังสือของท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเทระซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิต ท่านเขียนโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกในอัตถกาถาซึ่งแต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าพระเจ้าสุทธโธธนะเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันจึงปรินิ พ, พานอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาเองว่าจะเชื่อหลักฐานใด และหลวงพ่อเชื่อพระไตรปิฎกหรืออัตถกถาครับโยมเสงถามอาตมาเชื่อคำพีปฐมภูมิส่วนอัตถกถาเป็นคำพีทุติยภูมิที่แต่งขึ้นมาอธิบายต้นคำพีปฐมภูมิอีกประการหนึ่งในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่าผู้ที่เป็นคฤหัตหากบรรลุอรหัตผลจะต้องบวชในวันนั้น หากไม่บวชจะต้องปรินิพานเช่นท่านภาหิยะจารุจีรยะเทระและสันตติอมาตเป็นต้นพระเจ้าสุดโทธนะก็เช่นกันในเมื่อพระองค์ไม่ได้บวชก็จะต้องปรินิพานในวันนั้นอาจจะยกเว้นเพราะทรงเป็นพุทธบิดาก็ได้นะครับพระคุณทศแสดงความเห็น เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้มียกเว้นกฎธรรมชาติมีอยู่ก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกันกับพระพุทธบิดาจึงไม่มีข้อยกเว้น รถแล่นมาถึงโรงแรมที่พักพระมกุฎเทศประกาศให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นจึงมาพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและฟังธรรมบัญญายเป็นวันสุดท้ายวันรุ่งขึ้นคณะผู้แสวงบุญจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยบินตรงจากบอมเบไปกรุงเทพส่วนพระมกุฎเทศ กับแม่ชีปวนก็จะกลับพุทธคยาโดยรถไฟเมื่อพระและขรืหัดมาพร้อมกันที่ห้องประชุมท่านพระครูจึงนำทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงให้นั่งภาวนาคนละยี่สิบนาทีแล้วจึงแผ่เมตตาท่านตั้งใจแผ่เมตตาให้สตรีสามคนที่ติดใจไหลหลงองค์พักวัน ถึงกับนัดกันว่าจะมาอีกแผ่เมตตาเสร็จท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วใครมีอะไรสงสัยอยากถามอาตมาหรือถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองกอถามได้หรือถักครง่วงจะไปนอนกอเชิญตามสบายแม่ชีง่วงหรือยังล่ะท่านถามแม่ชีป่วนไม่ง่วงจ้า ฉันอยากฟังหลวงพ่อเล่านานๆจะได้พบพระที่เก่งเกือบๆท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่ชีตอบอย่างศรัทธาในท่านพระครูฉันไม่ง่วงจะจะอยู่ฟังเป็นเพื่อนแม่ชีโยมผ่องใสพูดขึ้นสตรีสามคนคิดจะลุกออกไปในตอนแรกเมื่อเห็นผู้สูงวัยกว่าทนง่วงได้จึงต้องฝืนใจอยู่ต่อ เป็นอันว่าไม่มีผู้ใดลุกออกไปนอนเป็นอย่างไรบ้างใครอยากกลับมนัสการสังเวชนิยสถานอีกท่านพระครูถามทุกคนยกมือยกเว้นสตรีสามคนใครอยากจะมาเฝ้าพระควันอีกทุกคนไม่ยกมือยกเว้นสตรีสามคนทำไมถึงอยากมาล่ะโยมท่านถาม เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและพระองค์ก็ทรงมีอิทธิปฏาฏิหาริย์พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปในอากาศแล้วก็ส่งคว้าแหวนเพชรมาให้ผู้หญิงคนที่นั่งติดกับฉันและโยไม่ได้บ้างหรือไม่ได้ค่ะเพราะฉันไม่ได้ถวายซองคราวหน้าจะนำซองมาถวายเพื่อจะได้แหวนเพชร ท, ที่พระองค์เสกให้ เหมือนผู้หญิงคนนั้นบ้างหล่อนตอบก็ น, นายโยมบอกว่าท่านกรุณามวลมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาโยมก็น่า จ, จะได้แว้นเพชรจากท่านถึงแม่ไม่ได้ถวายซองกอตามจริงไหมหล่อนไม่ตอบสตรีอีกสองคนก็เพิ่งมองเห็นความจริงข้อนี้ศรัทธาที่มีต่อพระกวันเริ่มเสื่อมถอยโดยง่ายท่านพระครูเล่าเรื่อง ที่ท่านคุยกับพระอินเดียแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่ท่านให้ทุนการศึกษาแกพระรูปนั้นแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกถ้าโยมเป็นชาวพุทธแท้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถ้าอยากรู้ว่าพึ่งตนได้ทำอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วง อาตมายินดีต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยทุกอย่างฟรีหมดเพราะอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีท่านเน้นคำว่าฟรีแล้วหลวงพ่อแจกแหวนเพชรด้วยหรือเปล่าคะนางสาวสายใหญ่รักถามยิ้มยิ้มแจกสิอาตมาแจกเพชรให้คนละหนึ่งกิโลแต่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนนะ ให้โยมนำกลับไปเจรณัในเองที่บ้านท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มเช่นกันท่านรู้ว่าขณะนี้ที่วัดป่ามะม่วงมีคนนับร้อยมารอารับแจกเพชรหนึ่งในจำนวนนั้นคือแม่เชิญสีมารดาในอดีตชาติของท่านหล่อนกําลังประสบกับความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสนอกจากท่านไม่มีผู้ใดช่วยหล่อนได้ ท่านจาเป็นจะต้องช่วยเพราะเป็นเรื่องของความหลังในสังสารแม้ท่านจะตัดความหลงในสงสารได้แล้วแต่ความหลังในสังสารท่านตัดไม่ได้ยังต้องมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ถือว่ายังตัดไม่ได้ตราบนั้น